พระธรรมเทศนากันนี้แสดงเมื่อวันที่9ธันวาคม2567ณวัดป่ามันตาจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยานะคำปนโุการสอ น, นเพื่อ ผือเป็นภาระของตนอย่างเต็มที่สอนอย่างไม่มีที่นักไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างใ น, นสอนจนเต็มกำลังความสามารถ กุปทานได้ดำเนินมาอย่างไรตลอดความรู้ความเข้าใจที่ปรากฏขึ้นเล็กเลกน้อยๆก็เลยระบายให้หมู่เพื่อนฟังตามโอกาสอันควร ทั้งนี้เพื่อจะให้เป็นคติแต่ท่านผู้มาศึกษา ท, กทุกท่านและเพื่อเป็นกำลังใจในาำเนินด้วยความขายันหมั่นเพียรในหน้าที่ของตน เรื่องธรรมะที่จะอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังลึกซึ้งยิ่งกว่านี้เท่ากับความรู้สึกซึ่งเป็นยีนอัตตนนี้คงไม่สามารถจะอธิบายให้ฟังได้นอกจากที่ได้เคลเืออธิบายให้ท่านผูกฟังทั้งหลายได้ทรา มาแล้วเท่านั้นท่านผู้ใดจะตั้งอกตั้งใจต่อนหน้าที่ของตนก็โปรดได้คำหนึงอย่าได้นอนใจว่ามาอยู่กับครูบาอาจารย์จะเป็นของแน่นอนและโปรดทาบเสมอว่า ในโลกที่เต็นไปด้วยอนพลังทุกขังอ น, นันตานิไม่มีื่นใดจะเป็นของคงที่ไดไม่ต้องพูดถึงเรื่องตัวของเรากับครูบาอาจารย์เนี่มเพื่อนดุกันเลยถ้าไม่รีบตักตวงเอาเสียในเวลานี้ ปล่อยให้เมื่อวันปีเดือนผ่านไปผ่านไปและปล่อยให้ความนอนใจเยียบยั้ความภาคความเพียงของตนให้ดอยลงบรนเล็กตน้อยจนกลายเป็นผู้เหลอเหลวในทางความเพียรนั่นไม่ใช่ทางของ ศาสดาที่เป็นครูของพวกเราเรื่องของสติกับปัญญาเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะฉะนั้นการเทศทุกๆครั้งจึงไม่เคยเล่นทำทั้งสองประเทศนี้เลย ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะเข้าใจในเรื่องสติปัญญานี่กว่าเป็นอย่างไรบ้างการสั่งสอนมาก็เป็นเวลานานทำไมจึงไม่ปรากฏมีเดียวให้เห็นผลแห่งการสั่งสอนขึ้นบ้าง วันนี้สุขภาพก็มันค่อยดีอยู่แล้วและการสอนหมู่เพื่อนมาก็พอจะเทียบเคียงถึงรายได้รายเกียที่เกิดขึ้นจากการฝองสอนของตนเองว่ามีผลอย่างไรบ้างหากจะไม่เป็นท่าเป็นทางพอจะเป็นไปได้แล้ว การสั่งสอนก็ไม่ทราบจะสอนเพื่ออะไรการอยู่คนเดียวในอียาบททั้งสี่นี้เป็นความสมยัยไม่ต้องยุ่งเย้งกับเรื่องอะไรทั้งนั้นที่พูดเล็กพูดน้อยตักเตือนกันอยู่เลย่อยไม่ว่าที่ไหนและการใดๆ ทั้งนี้ก็เพื่อจะให้พนาท่านผู้ฟังที่มุ่งมาอย่างเต็ม อ, อกเต็มใจให้ได้มีสติทราบว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องผิดเรื่องนี้เป็นเรื่องถูกทุกๆครั้งที่ท่านแสดงหรือบอกให้เราทราบ ภาระของผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นภาระเล็กน้อยคือโดแบบภาระเกี่ยวกับหมู่เพื่อนมาเป็นเวลาสิบกว่าปีนี่นะรู้สึกว่าหนักไม่ใช่น้อยเหมือนกัน ะจะให้ทำอย่างไรต่อไปจึงจะพอมีสติสัตย์พอมีหลักฐานภายในใจิตใจค่อยพยุงตัวไปได้มองเห็นก็ดียิงเสียงพูดออกมาก็ดีเป็นนักษณะที่ว่าบกคร่องเรื่องสติอยู่ตลอดเลยะ ระบอบข้องเรื่องปัญญาที่จะคิดเพื่อการิริยาความเคลื่อนไหวหรือการเคลจากทั้งตัวดีเหมอเลยถ้าผู้สอนไม่ลำคาญก็ผู้ฟังแค่เองจะกลับลำคาญเมื่อเป็นเท่นั่นก็ผลก็คงไม่ได้ทั้งสองฝ่ายเพราะผู้สอนก็สอนเพื่อผลมันดี แต่ผู้ฟังก็จะกลับรำคาญเดี๋ยวก็จะเข้าใจไปว่าดุดาว่ากล่าวอาจารย์ยังไรปฏิบัติเพื่อศีลเพื่อธรรมธรรมพระพุทธเจ้าไม่จะทําดุดาเหตุใดครูอ า, อาจารย์ผู้สรงศีลจริงธรรมของพระพุทธเจ้าจึงกลารเป็นผู้ดุดาว่ากล่าว นี่เรื่องก็จะเป็นไปอย่างนี้แต่เราหาได้ทราบความหมายอย่างธรรมที่ตนเข้าใจว่าดูดานั้นไม่ว่าทมประเภทนั้นๆที่ท่านสอนเราทุกๆครั้งนั้นจะไปแก้เรื่องอะไรของเรา เรามีอะไรอยู่ภายในตัวของเราท่านเริงบอกสอนอย่างนั้นและบางครั้งท่านก็ดุดาว่ากล่าวอย่างนั้นและเรื่องที่ให้จะให้ท่านดุดาว่ากล่าวเหล่านั้นเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่เราจะควรสังสมให้เป็นความจริงสำหรับเราหรือเป็นเรื่องที่เราจะพยายามแก้ไขให้เป็นไปตามนายะของท่านที่สอนหรอ ถ้าหากว่าเรื่องที่ถูกท่านตำหนิอยู่นั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับเราแล้วเราก็ไม่ควนก้าวเข้าไปหาครูบาอาจารย์องค์ใดๆเพื่อการศึกษาเฉพาะเรื่องนั้นก็พออยู่แล้วกับเรานี่ท่านผู้ฟังทั้งหลายคงไม่คิดอย่างนั้น ก็คงจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันว่าจะมาอบรมศึกษากับครูอาจารย์ให้ท่านแนะนำตักเตือนสั่งสอนสิ่งที่ผิดที่พลาดซึ่งตนไม่ฉลาดรอบรู้ในความเคลื่อนไหวและกิจการทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับตนจะพึงกระทาจึงได้มุ่งหน้าเข้ามาเมื่อเป็นเช่นนั้นจงเป็นผู้ตระหนักในเจตนาของตนนี้ให้ดีแล้วมุ่งหน้า ศึกษาจริงๆการแนะนำตักเตือนสั่งสอนจากคูมอาจั์ไม่ควรจะมาสนใจกับเสียงนอกจากหลักธรรมที่ออกจากกระแสของเสียงคน นี่รู้สึกว่าได้ทุ่มเทกำลังลงเต็มความสามารถของตนไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในกับหมู่เพื่อนเรื่องความเป็นอยู่ของตนนั้นไม่ว่าส่วนร่างกายไม่ว่าส่วนจิตใจรู้สึกจะไม่ถือเป็นภาระอะไรนะักมากยิ่งกว่าการจะพยายามแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อน บรรดาที่เข้ามาเป็นมิจิิเพื่อการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไปเต็มสติกำลังของตนที่จะถึงแนะนำสั่งสอนได้เท่านั้นไม่เห็นสินใดจะมีคุณค่ายิ่งกว่าการจะอบรมสั่งสอนคนให้เป็นคนสั่งสอนพระให้เป็นพระ ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อผลประโยชน์แล้จะยากลำบากก็ต้องอุตส่าพยายามแนะนำตัเกเตือนสั่งสอนไม่ว่ารายใดๆการประกอบความเพียรเป็นอย่างไรจึงไม่ปรากฏผลขึ้นมา เท่าที่ควรจะเป็นได้ได้ังเสีดหรือยาบทของตอนบานน้างหรือไม่เดิดนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดี เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างในอิยาบททั้งสี่ทั้งๆ ท, งที่ตัวของเราทั้งหมดนี้เป็นสถานที่อยู่และจอดแวะของเรื่องทท้งนั้นทำไมจะไม่ทราเรื่องที่มาปราก ป, ปตัวอยู่ภายในใจของเราหรือแทรกเข้ามาผ่านไปเป็นบางเวลา แท บ, บจะพูดได้ว่าทุกขณะที่ความรู้สึกคือใจของเหล่านี้ได้เกี่ยวกับอารมณ์ไม่ว่าทางดีทางเท่จะต้องมาผ่านและจอดแวะที่นั้นมีน้ำซ้ำก็ปลูกบ้านปลูกเดือนอยู่ในสถานที่นั่นอีกด้วยเราเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของเดือน เจ้าของเรื่องควรจะทราบเรื่องที่นาเกี่ยวข้องกับตนบ้างไม่มากกว่าหน่อยเรื่องความไม่สะดวกกายไม่สบายใจเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องของใจและความไม่สบายใจนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุใดได้พิสูจน์กันบ้างหรือไม่ การกระทำความเพียรเข้าใจว่าเพื่อพิสูจเรื่องเหมือนเหตุใดจึงไม่เข้าใจผมก็รู้สึกหมดปัญญาเหมือนกันในการสั่งสอนหมู่คน เพลื่อนไว้ขณะใดพ่อบอกทุกๆครั้งที่ได้เห็นได้ยินไม่เคยปิดบังรี้รับเอาไว้กลัวว่าเรื่องเหล่านั้นจะไปหมักหมมอยู่ภายในจิตใจจนกลายเป็นบ้านเป็นเดือนขึ้นมาจากใจตรงนั้นผู้จะนำพระศาสนา ไม่ใช่ผูดนอนดูเฉยๆโดยไม่คิดไม่อ่านเรื่องอะไรทท้านั้นต้องเป็นผู้ชอบคิดอ่านไตรตรองดูเรื่องภายนอกภายนอสติปัญญาถ้ามีบ้างก็ต้องแสดงออกมาภายนอกให้เห็นรียาแห่งการทำทุกๆกอย่าง ต้องมีลัศมีของสติปัญญาแสงออกมาพอให้คนอื่นทราบได้ว่าคนนั้นมีสติคนนั้นมีปัญญามากน้อยแต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ทราบจะแสดงออกมาได้อย่างไร เ, เมื่อทั้งวันทั้งคืนไม่ปรากฏความมีสติความมีปัญญาแสดงตัวออกมาให้คนอื่นเห็นแล้ว เราจะเข้าใจว่าเราเป็นคนโง่หรือคนฉลาดในการปฏิบัติต่อหน้าที่ของตนเราจะหาไปที่ไหนอีกหาครูบาอาจารย์ผู้จะแนะนำคำสอนเราพระพุเทธเจ้าก็ไ ด, ด้ยินมาตั้งแต่วันเกิดแล้วว่าท่านประเสิฐแค่ไหนสาวกท่านประเสริฐแค่ไหนและเราเวลานี้เก้แค่ไหนทั้งๆที่ปฏิบัติ และเป็นนักบวช ด, ดำเนินตามธรรมะคำอสอนคำพูดที่จะแต่แล้วกลับแหวกแนวไปทางไหนในเพศแห่งพระนีู้้จะปฏิบัติให้รู้เรื่องความหนักเบาของตนเอง ต้องมีหนักแน่นควรจะต่อสู้กับเรื่องอันใดาภายในใจก็ต้องต่อสู้ให้เห็นเหตุเห็นผลกันเรื่องทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยภายในกายหรือภายในใจก็ควรจะสอดส่องดูเหตุดูผลที่ให้ทุกข์เกิดขึ้นแล้วตามค้นดูสาเหตุของทุกข์ว่าเกิดขึ้นมาจากอะไร ด้วยความมุ่งมั่นหรือสละเป็นสละตายเพื่อจะทราบความจริงอย่างชัดเินในเรื่องของทุกข์ก่อนในเรื่องเหตุที่หนูนทุกข์ให้ปากดตัวขึ้นมาก่ดนไม่าะ่นนั้นเราจะไม่ทราบกำลังเยี่ยวแรงของเรา กับสิ่งที่เป็นค่าสิ่งที่ต่งบ้านตัางเรือนอยู่ภายในใจของเรามาปเป็นเวลานานได้เลยทุกๆสิ่งถ้ากำลังเพียงพอกันก็พอจะปฏิบัติต่อกันไปได้ถ้ากำลังทางหนึ่งมากกว่ากาลังแต่ทางกำลังทางหนึ่งน้อยอย่างนี้ยังไง ทางฝ่ายน้อยก็ต้องแพ้แล้วความแพ้ความชนะเราก็ควรจะถือเราเป็นนักรบคนหนึ่งซึ่งเวลานี้กำลังก้าเข้าสู่สงครามสงครามก็คือเรื่องตัวของตัวเป็นฆาติบของตัวนั่นเองการทำสงครามก็ได้จะแจ้สิ่งที่เป็นฆาติบต่อตน หรือรู้เรื่องสิ่งที่เคยเป็นค่าศิกต่อตนเองนี่นไม่ใช่เรื่องอื่นใดเราจะคอยหาพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาแก้ทุกข์ให้เราหรือเราจะคอยหาครูบาอาจารย์องค์ไหนมาโสดสงให้เราเป็นผู้วิเศษขึ้นมา โดยปราศจากหลักเหตุผลคือความขยันมั่นเพียรด้วยสติและปัญญาวิธีปฏิบัติมาทุกแง่ทุกมุมผมได้พูดให้ท่านทั้งหลายฟังไม่ได้พูดเพื่อการโอร้อวดในการปฏิบัติของตนด้วย ในความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตกแต่พูดในฐานะลูกศิษย์คับอาจารย์ที่เลือดเนื้ออันเดียวกันจะดูดามากล่าวขนาดไหนก็ไม่ได้ถือให้นอกเหนือจากความเป็นเลือดเนื้ออันเดียวกันเลยนั่งก็ฟังเรื่องมูเรื่องเพื่อนเดินไปไหนมาไหนในลานวัดลานบามองเห็นก็ต้องมองดูเพื่ออะไรอีก มีความบกพร่องที่ตรงไหนก็ต้องนำมาแนะนำตักเตือนสั่งสอนมาให้หลุดมือไปหรือไม่ให้ผ่านสายหูสา ย, สายตาไปบอบปล่าเพราะเข้าใจว่าสิ่งที่มู่เพื่อนได้เพื่อนคาดผิดไปนั้น เ้า ต, ตัวคงไม่หรือมนี่นํำเอาเรื่องของตัวเองมาที่ให้ดูให้เห็นแล้วจะได้ระมัดระวังด้วยสติปัญญาต่อไปการดูด่าว่าเก่าในความรู้สึกนี้ไม่เคยมีว่าได้แฝงออกมาด้วยโัก ซึ่งเป็นตัวความชั่วเพื่อจะให้ไปทำลายแกมูเพื่อนซึ่งเป็นผู้หวังดีเข้ามาศึกษาอบรมด้วยให้รับความเสียหายล่มจมไปเพราะกิเลสประเภทเหล่านี้แม้กิเลสจะมีอยู่ภายในก็ หรือหากมาเจ้าตัวจะเป็นคนโง่ก็หม่งตาแต่ไม่เคยแสดงออกมาให้ได้รู้ว้าเอ้กกิเลสตัวนี้ได้ฝืนหน้าออกเราออกไปแต่ทำความรังควานแกมูแก่เพื่อนให้รับความเดือดร้อนโดยการสอนไม่เป็นอัดเป็นธรมเพราะอำนาจแห่งทิฏฐิมานะกิเลตัญหา ของตนเองมีกำลังมากกว่าอย่างนี้ยังไม่ปรากฏในความรู้สึกนียังเป็นเหตุให้ได้คิดถึงพ่อถึงแม่เกี่ยวกับลูกเลี้ยงลูกหลายคนมีลูกหลายคนมีเท่าไรก็เป็นภาระของพ่อของแม่จะเลี้ยงดูจะสิ้นจะเตืองจากเท่าไรไม่ได้ทำหนึ่งถึงความหมดเตือง แห่งทรัพสมบัติที่จะนำมาบำรุงรักษาลูกเต่าของตอนชีวิตจิตใจก็มอบเป็นมอบตายไว้กับลูกแต่ก่อนก็ไม่ได้คิดมากมาเมื่อจะมีลูกจิตมาจากสถานที่ต่างๆเข้ามาอบรมกันไม่ขาดว่าขาดตอนมากบ้างน้อยบ้างมีความสัำพันเกี่ยวเนื่องกันระหว่างอัดทรเนี่ยวัตถุต่างๆ ที่เป็นเรื่องของสมณะจะต้องปฏิบัติต่อกันเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเราเป็นหัวหน้าอะไรก็ต้องมาเกี่ยวกับเราทั้งหมดการได้การเสียการหมดเปลืองการสงข้อสงหามีมากมีน้อยหรือไม่มีขาดเขินยังไงบ้างจึงเป็นเหตุให้เคิดได้อ่านไปทุกอย่างแล้วเป็นเหตุให้ระลึก ขึ้นมาอีกทีนึ้งจากธรรมชาติที่แน่นที่สุดซึ่งจะถอนไม่ได้นอกจากจะตายเสียเท่านั้นคือความเห็นว่าเป็นลูกของตนเอาโดยกลบ ลูกศิตย์ผ่าถาคตชันใดก็ลูกศิตย์เราก็ฉันนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นความผิดความพลาดทุกๆอย่างความขาดตกบกพ่องไม่ว่าด้านวัตถุด้านนมามธรรมจึงกระเทือนถึงใจทุกๆระยะไม่ได้เคยเมินเฉย แล้วใครจะนำพระศาสนาถึงเจตนานี่ยก็สุดขีดเท่านั้นที่มีต่อมูต่อเพื่อนไม่ได้พูดเป็นการโอ้อวดเอาสมบัติความดีเฉพาะตนคนเดียวแล้วการพูดเช่นนี้เพื่ออะไรขอให้ท่านทั้งหลายได้คำหนึ่งและพิจารณาว่าอยู่กับพวกท่านทั้งหลายไม่ได้อยู่ด้วยเล่น แล้วมาได้สอนเล่นๆทุกอย่างลากออกมาจากติดจากใจฟื้นออกมาจากติดจากใจถ้าเป็นสิ่งที่กระเทือนด้วยหลุดลุด่ยเสียหายไปแล้วหมากหัวใจนี้จะไม่มีอะไรสักนิดหนึ่งเท่าเม็ดนาเพราะคว้าออกมาทุกวันคว้าออไปสูบข้างนอกปิริยามายาติความเคลื่อนไหวไปมาของหมู่เพื่อนแล้วคว้าเข้ามาภายใน แต่การสงเคราะห์ิตใจโดยเฉพาะคว้าทุกวันลากออกมาทุกวันไม่ว่าธรรมะจะเป็นประเภทไหนไม่ว่าข้อปฏิบัติจะเป็นประเภทไหนที่ได้ปฏิบัติมาและได้รู้ได้เข้าใจมาไม่ได้มีปิดบังกับหมู่เพื่อ เพื่อจะให้มีน้ำใจเป็นเครื่องพยุงจิตใจของตนท่านได้ก้าวหน้าต่อความภาดความเปลี่ยนนี้นจะไม่เป็นสมบัติของตนก็คงเป็นทำนองที่ไปเห็นสมบัติของคนอื่นแล้วนำมาเป็นคติพยายามเรียนแบบจากเขาแล้วจะกลายเป็นคนเช่นนั่นขึ้นมาไม่ถึงเช่นนั่นก็ยังจะดี อยเข้าใจว่าอนาคตจะเป็นทองทั้งแท่งปัจจุบันนี้จะเป็นมูดเป็นคูดเรื่องมูดคูดก็เกิดขึ้นจากคนคนเดียวจะกลายเป็นทองทั้งแท่งขึ้นมาก็เรื่องของคนคนเดียวทู่ปรับปรุงตัวเองถ้าปรับ ป, ปรุงหลักปัจจุบันนี้ไม่ได้ไม่บำรุงหลักปัจจุบันนี้ให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไป ด้วยข้อปฏิบัติที่ดีงามแล้วอนาคตการทางหน้าไม่มีหวังอันใดจะเป็นผลตอบแทนขอให้ทากันคิดหลักปัจจุบันคือณนะบัดนี้ให้ดีความเคลื่อนไหวไปมาผิดคาดอยู่ในขณะ น, นี้ถ้าไม่แก้ให้ดีแล้วต้องเป็นความเคลื่อนขาดมากยิ่งกว่านี้ไปอีกอย่าเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่มีกำลัง เมื่อได้รับการบำรุงจากความเผอเลยหรือความไม่เฉนใจของตัวเองเสมอไปแล้วตอนน้องมีกําลังขึ้นเพราะนี่คุณงามความดีท้าเราพยายามบำรุงเสมอแล้วเหตุใดจะไม่มีกําลังนีละอนาคตจะแจ่มใสเพราะหลักปัจจุบันตั้งตัวไว้เรียบร้อยถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่คือคือ อนาคตจะแจ่มใสจะแจ่มใสจากหลักปัจจุบันที่ตั้งตนไว้โดยถูกต้องบำรุ่บำรุงตนให้ถูกต้องทุกท่านจะไปหาคุณงามความดีที่ไหนเมื่อมองข้ามตนไปนเกีย่ยวมองข้ามหลักปัจจุบันคือตัวเองซึ่งกำลัง มีชีวิตและปฏิบัติสี่ม้าบัดนี้แต่ไม่สนใจในข้อปฏิบัติของตนโดยเอื้อมมือไปงมเงาที่ไหนก็ไม่ลู้แล้วจะหาสารประโยชน์มาจากที่ไหนไม่มีโปรดได้ทราบกันไวเ้เถิด้ารักปัจจุบันคือเราปรับปรุงเรายังไม่ได้ขนาดไหนแล้วผลจะเป็นขึ้นมาขนาดนั้นไม่ได้ ความเคลื่อนไหมทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวโดยลําพังตัวเองไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวของผู้อื่นเดี๋ยวการทําการพูดจะอา่านแม้จะมีการสนทนากันก็ดีอย่าห น, นีจากหลักธรรมคือสิ่งจะให้สหําเร็จประโยชน์หลักธรรมจงตั้งไว้ศูนย์กลาง เราก็ดำเนินเข้าไปสู่หลักธรรมนั้นผู้อื่นก็ดำเนินเข้ามาสู่ที่นั่นแม้จะสนทนากันก็สนทนาเพื่อหาหลักธรรมตรงนั้นทิศถูกยอมรับกันโดยหลักธรรมถ้าไม่มีหลักธรรมเป็นสถานีที่หยุดยั้งแล้วจะไม่มีความพอดีเหลืออยู่ภายในกายวาจาใจของผู้นั้นๆเลย ภูใหญ่ก็ใหญ่ไปเช่นนั้นเหมือนภูเขาทั้งลูกเล็กก็เล็กเหมือนเม็ดหินเมทรายธรรมดาม่เป็นเม็ดเพชรมินเินกินดาที่ไหนถ้าผู้มุ่งต่อหลักธรรมดำเนินเพื่อหาความพอดีมีสถานีที่จอดแวะคือหลักธรรมแล้วผู้นั้นจะเป็นผู้มีคุณค่า จะอยู่ด้วยกันมากน้อยก็มีความสุขไม่ได้มีการกระทบกระเทือนหรือทะเลาะเบาะแว้งสิง่งต่างๆเพราะต่างก็มุ่งหาส ถ, ถานที่จอดโดยถูกต้องได้แก่หลักธรรมความอยู่ด้วยกันก็สบายแม้จะจากกันไปก็คิดถึงนี่แหละหลักธรรม เมื่อเข้าอยู่ในสถานที่ใดทำสถานที่นั้นให้สะอาดเรียบรนอยอยู่ในตัวของเราก็ทำกายวาจาให้เรียบร้อยอยู่ในหมู่ในพวกก็ทำหมู่พวกให้สวยงามหน้าดูหน้าชมหน้ากราบไหวห น, น้าเลื่อมใสถ้าหาไม่แล้วใครก็ใครถึกจะแต่งตัวระดับ เรื่องประดับต่างๆให้ยิ่งกว่าเทวดาก็ทำไปให้โลกเขาหัวเราะเถยๆไม่เป็นเพืมอนีติงนี้สตอบ